เราเราก็เลยถามหมูว่าฮิตเลอร์เนี่ยตอนเขาแพ้สงครามเนี่ยเขากลับใจได้หรือยังเขายิงตัวตายค่ะแล้ยิงเขาเลยไหมเขากลับใจได้แล้วยังพระเทวัทัศน์เนี่ยตอนตอนที่แผ่นดินจะสูบจะจมลงไปแล้วพระเทวันทัศ น, น, น, น, น, น, น, นกลับใจหมดนะ <c oughs> ท่านยอมตามพระพุทธเจ้าได้หมดน ะ, <c oughs> อะยอมตามพระพุทธเจ้าได้หมด <c oughs> แต่พฤติกรรมที่ฮิตเลอร์ทํานี้มันเป็น มันเป็นการมันมันเป็นการสร้างวีรกรรมของพญานนะ <Okay. S 2> ไม่ใช่ไม่ใช่วีรกรรมของพระโพธิสัตว <Okay. S 2> ์ไม่ใช่ไม่ใช่วีรกรรมเพื่อเป็นพุท ธ, ธะ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นถ้าถ้าจะบุญไปหน้าถ้าพุทธรูปนี่เดินไปเรื่อยเ <c oughs> มื่อเมื่อเมื่อเลงน้ําไปลึก ล, ก ล, กลกเดี๋ยวจมเดี๋ยวจมกลับพื้นกลับพื้นเรียกเท่าไหร่ไม่ยอมกลับจมเช่างมันจมเช่างมันก็จมลิกหายไปเลยแบบนี้เขาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิหมด เต็มดวงเลยจิตมันเป็นมิจฉาทิฏฐินี่ลำบากมากนะไอ้เรื่องที่จะแก้แก้ยากที่สุดแก้มิจฉาทิฏฐิของคนแก่แก้ยากมากบรรดาปัญหาทุกอย่างเท่าที่เราศึกษามาได้ยินได้ฟังมาปราดบัณฑิตเขาพูดถึงเนี่ยสิ่งที่แก้ยากที่สุดก็คือแก้มิจฉาทิฏฐิของคนแก้ยากมากขณะพระพุทธเจ้าแท้ๆยังแก้ไม่ได้บางบางคนบางแห่งเนี่ยยังแก้ไม่ได้เรามาดูพระพุทธเจ้าท่านอุบาสกที่อินเดียนะ ขนคนที่อินเดียไปได้มากเท่าไหร่น้อยเท่าไหร่ไปได้ยังไม่หมดนะเพราะศาสนาพราหมณ์เขาก็ยังยึดยังถือยังอะไรอยู่อยู่อะไรอยู่เหมือนเดิมเลยเรื่องการกลับทิฏฐิมาณนะคนนี่ถ้าไม่ไม่ใช่ระดับพระพุทธเจา้ากลับยากมากที่ที่ฮิตเลอร์เขาทําเนี่ยถ้าฮิตเลอร์เขายิ่งใหญ่ถ้าเขาทําสําเร็จพฤติกรรมที่เขาทําเนี่ย ถึงแม้ว่าเขาจะทําสําเร็จมันก็ยังเป็นพฤติกรรมของพยายามานมันเป็นพฤติกรรมของการทําไม่ดีไม่แยกพฤติกรรมของการเป็นพระโพธิสัตว์เพื่อที่จะเป็นพุท ธ, ธะหรือเพื่อที่จะเป็นอนุพุท ธ, ธะก็ยังเป็นไม่ได้มันเป็นการทำทำตามอํานาจของของของกิเลสตัณหาเต็มร้อยเลยอย่างมากถ้าเขาทําสําเร็จเขาได้ชื่อเป็นแค่รัฐบรุรษเท่านั้นแหละ แต่มันยิ่งใหญ่ได้ไหมยิ่งใหญ่ได้แต่ไม่เคยทะลุหร อ, อกไม่เคยได้อะไรสมหวังที่เต็มเต็มที่ใกล้จะเสร็จใกล้จะเสร็จใกล้จะได้ก็อย่างนี้แหละสมมติเราทำสาเร็จปับ๊บสมมติเขาทาสาเร็จปับ๊บเขาจะมีอายุอยู่4 0ปีนะเขาอาจจะมีความสุขแค่10ปี30ปีข้างหลังเนี่ยเขาจะต้องถูกรังควานละคือผลของกรรมชั่วไม่เคยให้ความสุขตลอด ให้ความสุขล่อปลาเดียวปลาดาวให้เราให้เราให้เราเยอะเหมือนเราเหมือนเหมือนปลาเห็นเหยื่อเห็นเหนเยื่อที่ที่ปลายเบ็ดงับอ่าคือคือสิ่งที่มันยวนใจของกิเลสในหัวใจของเรานี่อ่าเราจะเห็นว่ามันชวนเคลิบเคลิ้มลหลงไหลกับมันปลาเดียวปลาดาวพอเราลวมตัวให้กับมันปับ๊บมันก็ถูกเบ็ดเกาะแล้ะอันนี้คือความไม่ดีในปัจจุบันหลังจากนี้ไปแล้ว ในพบในภูมิที่เขาจะไปอุบัติเนี่ยเมื่อรู้จะต่ําขนาดไหนเราก็ไม่รู้แต่ก็ใยญ่ได้ไหมแต่ข็ใหญได้แบบโลกมันไม่ใช่แบบธรรมอ่าให้ความสูงนิดหน่อยแล้วก็มีแต่ความทุกข์มากมายมหาศาลเสรยจแล้วก็มาทร ม, มานรำเพงรำพันทําไมต้องเป็นเราทําไมต้องเป็นเราแต่ตอนนั้นปรารถนาที่ยิ่งใหญ่มากผู้ที่ปรารถนา ท, ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ทําแบบฟิลเลอร์เนี่ ย, บบ Hitler, เ, ยเบื้องหลัง จะต้องกลับใจเช่นอย่างพระเจ้าโศกมหาราชเนี้ยพระยาเมรินเนี้ยพระเจ้าโศกมหาราชนี่ไปล่าเมืองขึ้นล่าไปชมพูทวีปไปล่าได้เกือหมดพระเจ้าโศกมหาราชนี่ตอนหลังมาก็มาสลดใจจากการที่ตัวเองไปฆ่ามีแต่ฆ่าฆ่าฆเห็นแต่มีแต่นองเลือดตอนหลังมาก็เลยมากลับใจคําว่ากลับใจก็โอ้พฤติกรรมที่เราทํานี้ไม่ดีแล้ว จะต้องกลับใจการกลับใจนั้นจะต้องมีเหตุให้พากลับใจอย่างพระเจ้าโศกนี่ท่านไปได้เหตุดลใจยังไงไม่รู้นะ <c oughs> ไ, ดได้กลับใจมานับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็ทําทคุณอุปการทุกอย่างหนึ่งพระเจ้าโศ ก, กลับใจ2 ส, สมัยพระพุทธเจา้าทรงพระชนอยู่ก็ไอชาตศัต ร, ตรูนี่กลับใจไอชาติศัต ร, ตรูก็หลงไปกับพระเทวทัตพระเทวทัตไปยุก ให้ท่านฆ่าพระเจ้าพิมพิสารซะเพราะพระเจ้าพิมพิสารนี่ยังหนุ่มอยู่โอกาสที่พระเจ้าพิมพิสารจะสวรรคตและท่านจะได้ครองราชเนี่ยนานมากท่านอยากครองเร็วๆท่านจะต้องฆ่าพระเจ้าพิมพิสารเดี๋ยวเราจะฆ่าพระพุทธเจา้าแล้วเราจะเป็นศาสดาเองพระเทวทัตยุในสุดในสุดอาชาติศัตรูก็เลยเชื่อพระเทวทัตก็เลยให้ทหารจับ อาชาติสัตว์ศัตรูดจับจ พ, พระ เ, เจ้าพีพีสานไปขังพระเจ้าพีพีสานท่านเป็นพระโสดาบันท่านก็ภาวนาท่านก็บสบายของท่านอยู่ทําไมนานตายเหลือเกินนานตายเหลือเกินไปดูอยู่ยังไงโอ้มีคนเอาข้าวไปให้ยุดไม่เอาข้าวไปให้ไม่ให้อาหารให้ข้าให้อาหารเข้าไปให้ต่อมาต่อมาพระเจ้าพีพีพสาก็ท่านมีชีวิตได้อยู่ด้วยการเดินจุกลมนั่งภาวนา <S <S อดข้าวอยู่ท่านนี่ทำไมนานตายเหลือเกินสั่งให้เขาไปมีไปปาดพระบาท เอาเกลือทาลองดูสิเอามีดไปปาดเอาเกลือทาพอกตัวเองนะอระาพี่พิสารนั่นก็ปวดเจ็บในสุดท่านก็ทรมานท่านก็เลยตายสวรรค์วันที่พระ้าพี่พิสารสวรรคตเนะี่ยพอดีวันนั้นเป็นวันที่พเหสีประสูตรโอรสด้วยอํามาตย์เลยปรึกษากันเอ้ยเราจะบอกเรื่องอะไรก่อนจะบอกไอ้ชาติศัตรูเนี่ยเราจะบอกเรื่องพ่อตายก่อนหรือจะบอกเรื่องลูกเกิดก่อน เลยบอกบอกบอกบอกประสูตุพ ร, ระโอรสราชโอรสก่อนดีกว่าเลยบอกเพราะเขาบอกว่าตัวเองมีลูกลูกลูกผู้ชายคนแรกท่านโอ้โหดีโอกดีใจพอรู้ว่าตัวเองดีใจกับลูกที่เราได้ลูกผู้ชายคนแรกดีใจมากเลยนึกถึงพ่อเอ้ยนี่ไปปล่อยพ่อเรานี่เป็นปล่อยพ่อเรา <c oughs> เขาก็บอกว่าพระจาพีวิสารท่านก็สวรรคตไปแล้วโอ้ยตายพังทลายหมดเลยท่นี้กลับใจท่นี้ ได้ความสลดสังเวชและกลับใจพอหลังจากนั้นมาเห็นพระเทวทัศนในแผ่นดินสูบตัวเองนี่กลัวมากเลยกลัวแผนจะสูบมาพระเทวทัศน์ี่บุคคล3บุคคลนี้คือบุคคลที่ทํามิจฉาทิฐิแล้วก็กลับใจเป็นสัมมาทิฐิหนึ่งอ้ชาติศัตรูนี่กลับใจ 2. อโศรมหารานี่ก็กลับใจพี่จะอโศรมาก็กลับใจเออพระเทวทัศนนี่ก็กลับใจกลับใจจากพฤติกรรม แบบที่เชลเลอร์ทนะกลับใจจบแบบนี้แล้วก็มากลับใจเดินตามพระพุทธเจ้าแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือพญามิลินพญามิลินนี่ก็เป็นนักรบเป็นนักรบกรีกหรอเปล่าพญามิลินรบฆ่าไปจนหมดทั่วทั้งชมพูทวีปต่อมาก็เลยแต่ว่าแต่ว่ากษัตริย์องค์ที่ท่านปัญญามากท่านเที่ยวถามนักบวชที่อะไรตัวอะไรจนนักบวชเกรงกลัวกันกันหมดเห็นพญามิลินไปต้องอได้หนี ท่านไปถามเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องกรรมเรื่องเวเรื่องอะไรถามพระทั้งหลายตอบไม่ได้พรามิจฉาทิฏฐิทั้งหลายตอบไม่ได้พากันหนีจนร้างเป็นเมืองเมืองร้างเป็นเมืองเมืองต่อมาก็าไปเจอมาเจอพระเจ้านาคเสกพระพระนาคเสนพระนาคเสนเลยเป็นคู่ป ร, รับกันเป็นผู้ป ร, รับกันเลยให้ทําให้พยามิลินกลับเนื้อกลับตัวมาศึกษาพระพุทธศา ส, สนาอย่างเต็มที่บํารุงยกย่องเชิดชูพระพุทธศา ส, สนาเต็มที่ พระเจ้าอาโศกก็เหมือนกันหลังจากกลับตัวมานี่ก็ไปฟื้นฟูสังเวชชนิดสาราสร้างสถุป8ปดหมสพสถุปทั่วจงพูทวีปนี่พระเจ้าอาโศกนี่พวกนี้จะต้องกลับใจกันทั้งนั้นนะพระเทวทัตกลับใจอาชาศัตรูก็กลับใจพญามิรินก็กลับใจพระเจ้าอาโศมหาร ก, ก็กลับใจเราเราถามว่า ฮิตเลอร์ดิก่อนจะข่าตัวตายนี่กลับใจแล้วยังเพราะเราอย่าลืมว่าทาบุญอุทิศส่วนส่วนบุญให้เขาด้วยเขาเป็นคนทำให้เยอรมนิีดังเออดีดีอุทิศส่วนบุญไปสงสารน่าสงสารมากบุคคลแบบนี้ถ้ากลับใจนะจะเป็นมหาบรุษจะเป็นมหาบรุษ แล้พูดถึงการกลับใจเหมือนอย่างพระเทวทัตเนี่พระพุทธเจ้าท่านก็นเล็งดูอนาคตงสยามในไปในอนาคตหลังจากพระเทวทัตกลับใจพุทธเจ้าก็ทรงแย้มพระโอษฐ์เออเธอก็ไม่เสียเปล่าที่มาคบเรามาเกี่ยวข้องกับเราก็ไม่เสียเปล่าตอนหลังมาเธอก็กลับใจถูกแผ่นดินสูบแผ่นดินสูบนี้แผ่น ด, ดินสูบจากผลกรรมของตัวเองนะเนี่ยคนทุกวันถ้าเห็นชัดเจนขนาดนั้นน่าจะกลัวมากกันเลย <c oughs> ทุบแผ่นดินสูเพราะผลกรรมที่ตัวเองทําไม่ดีเพราะอะไรเพราะพยายามเบียดเบียนพระพุทธเจ้าทุกรูปแบบทุกอย่างหลังจากแผ่นดินสูบไปแล้วแต่แท้ที่จริงก็กลับใจได้ตั้งนานแล้วไม่ใช่กลับใจได้ตอนแผ่นดินสูบนะกลับใจก่อนนั้นได้แล้วแหละแต่พอมาถึงตอนนี้นี่จะตายแบบสดๆร้อนร้อนทุบแผ่นดินสูยุบยุบยุบยลงไปแล้วเหลือยคาังอะไรขอระลึกพุทธทางธรรมังสังขังสนะังขจามิยกคาังอนไรถวายเป็นพระพุทธเจ้าท่านนั่งยิ้มอยู่ที่เจตวัน เพราะพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าพระเทวทัตเนี่เป็นคนชั่วเป็นคนเลวที่ไม่มีใครสามารถจะช่วยได้โดยที่พระองค์ยกตัวอย่างว่าเหมือนบุรุษคนหนึ่งตกหลุมคูดตกหลุมอุจจาระนะตกไปจนจมมิดแล้วก็โผลขึ้นมาเราผู้ยืนอยู่ข้างบนนี่เราต้องการจะช่วยเขานะเราจะไปจับตรงไหนที่จะให้มือเราเปื้อนมันไม่มีที่จับนี่พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบเนะี่ยเป็นปรักญายอย่างเยี่ยมเลยนะ จมลงจมมิดไปในหลุมคู่แล้วก็โผล่ขึ้นมาเนี่ยเราจะจับดึงขึ้นมาเนี่ยจับดึงขึ้นมาจากบอลจับตรงไหนที่จะไม่ให้ไม่ให้เปื้อนคู่เนี่ยไม่ไม่มีที่จับอิพุทธิเจ้าท่านเปรียบเทียบพระเทวทัตแต่หลังจากพระเทวทัตกลับใจพุทธิเจ้าก็าเล็งดวงนาเขาตังสยานโอ้จากนี้ไปเท่านั้นกลับเท่านั้นกลับเท่านั้นกลับพระเทวทัตพ้นจากอาเวจีมหานรกนี้แล้วก็มานรกนี้นรกนี้โผล่ขึ้นมาได้เป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบ ในกลับกับหนึ่งพระเทวทัตจะได้เป็นมาเป็นมาตรสรู้เองนะเป็นพระปัจิเจ้าพุท ธ, ธาคาว่าเป็นปฏิเจกพุทธะคือกิเลสราค่าโทสะโมหะในหัวใจก็คือชำระหมดหมดไปแล้วเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดเหมือนพระพุท ธ, ธเจ้าอันนี้คือคื อ, ค, อคืออนาคตของพระเทวทัตและก็พระเจ้าอาชาติจะสัตรูก็เหมือนกันฆ่าบิดาถือว่าเป็นปิตุฆาตปิตุฆาตถือว่าอนันตริยกรรม ตายเราจะต้องลงเอเวจีนรกแต่หลังจากอาชาติศัตรูระลึกได้ว่าตัวเองทําผิดไปอย่างนั้นแล้วนี่กลับใจพอหลังจากกลับใจแล้วโอ้เราอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าเราไม่เคยได้ไปเกี่ยวข้องเลยอย่างนั้นอย่างนี้เสียใจตามหลังมากก็หลังจากนั้นมาราักเคารพเชิดชูบูชาพระพุทธเจ้าอย่างสุดสุดฤทธิ์สุดขีดสุดแดงเลยเอาชาติศัตรูนะพยายามไปภาวนาไปบําเพ็ญเท่าไหร่ มะผลนิพพานที่จะพึงเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะอนันตรยกรรมมันบังผลกรรมรดีๆมันเกิดขึ้นไม่ได้อาชาติศัตรูในสุดแทนที่จะได้ตกอเวจีมหานรกเขาว่าตกนรกแค่โลหะกุมภีเพราะอาชาติศัตรูหลังจากกลับใจในรัฐธรรมนูประการกับพระพุทธศาสนาเป็นอันมากเช่นอย่างเป็นอุ ป, ปถากที่ยิ่งใหญ่ของการทําปฐมจังคายนานี่คือพระเจ้าอาชาติศัตรูนะ มีรายเดียวที่ว่าไม่ตกอเวกีมหานรกฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำโลหิตทุบาททำสงให้แตกกันทั้งห้าอย่างนี้ตายแล้วไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีที่อื่นขั้นตกอเวจีมหานรกอย่างเดียวแต่ว่าแต่ว่าอาชาติศัตรูนี่ไม่ตกวถึงอเวจีมารกตกแค่โลหะกุมภีหม้อทองแดง เพราะอะไรเพราะมาทำอุปการะคุณที่ยิ่งใหญ่กับพระพุทธศาสนาอันนี้คือพระเทวทัตเบื้องหน้ า, าหลังจากกลับใจได้ผลอย่างนี้อัจฉรศัตรูหลังจากกลับใจก็ได้ผลอย่างนี้แล้วอย่างพระเจ้าโศกตอนหลังมาพระเจ้าโศกมีประวัติหลายตอนเนี่ฟังว่าพระเจ้าโศกก็ได้มรุเป็นพระรหารเหมือนกันนะหลังจากเกิดแล้วก็ตายตา ย, ตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์แล้วก็ตกลงมาอีกแล้วมาเกิดยังไงนะตามประวัติที่เคยเตลืมแล้วแหะ ดูมานานแล้วมันลืมละตอนหลังมาท่านก็ได้บรรลุเป็นพระราหัลเหมือนกันพระเจ้าโศกแต่พยามิลินหลังจากนั้นมาก็เป็นเป็นเป็นพุทธมาม ก, กะเป็นพุทธมาม ก, กะก็คือยินดีจะเจริญรอยตามหลักของศีลของสมาธิของปัญญาที่พระเจ้าท่านสอนอยังไงก็ตั้งใจทําตามนั้นอันนี้คือเป็นการกลับใจเรื่องของการเดินทางผิดนั้นน่ะมันเป็นเรื่องธรรมดา เพราะทุกคนมีใจเป็นกิเลสเราพูดได้ในใจของเราเรามีความนึกความคิดความนึกความคิดของเราเขาเรียกว่าทิฏฐิทิฏฐิทานนึกคิดตามอํานาจของกิเลสเขาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐินึกคิดตามอํานาจของธรรมเขาเรียกว่า<ม>สัมมาทิฏฐิเอาแค่นี้ก่อนยาวเรื่องเรื่องทิฏฐิสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิอันนี้พวกเราพวกท่านอาจจะมี บางคนมีสัมมาทิฏฐิมาแล้วอาจจะกลายเป็นมิจฉาทิฐิก็ได้เป็นมิจฉาทิฐิมาแล้วกลายเป็นสัมมาทิฐิก็ได้เพราะฉะนั้นเราพึงระวังเหมือนกันตราบใดที่เราทําตามอะไรเป็นพฤติกรรมของกิเลสในใจของเรานั่นอะ่ะมิจฉาทิฐิแล้วคําว่ามิจฉาทิฐิคือทําผิดคิดผิดเห็นผิดทําผิดทําผิดทําผิดในที่นี้หมายความว่าทําชั่วทํากรรมชั่วทําบาป ผลของการทำชั่วผลของการทำบาปมันจะให้เราได้รับแต่กองทุกเหมือนเป็นเทวทัตเนะี่ยทุกจนเป็นดินรับไม่ไหวจมยมลงในแผ่นดินนี่คือมิจฉาทิฐิสัมมาทิฏฐิกลับจากมิจฉาทิฏฐิมาก็เม็ดมาเป็นสัมมาทิฐิแต่เราจะต้องศึกษานะถ้าเราไม่ศึกษาเนี่ยโอกาสที่เราจะตกเป็นเครื่องมือของมิจฉาทิฏฐิเป็นง่ายเป็นง่ายมากๆเพราะหัวใจของเราของท่านเนี่ยเต็มแปรไปด้วยกิเลส ใครไม่เคยสังสมอบรมธรรมหรือสังสมมาเล็กๆน้อยๆอวันคืนลงไปก็ลืมที่จะส่งเสริมปรับปรุงส่งเสริมแล้วก็ฟื้นฟูให้ดีขึ้นให้มีกำลังแน่นหนามั่นคงขึ้นสักหน่อยหนึ่งจะอ่อนแรงอ่อนแรงก็อำนาจฝ่ายต่ำก็ดึงเรไปแล้วเป็นมิจฉาทิฐิมีโอกาสที่จะกลับเปลี่ยนได้ง่ายๆแต่ถ้าหากผู้ที่ยิ่งใหญ่เช่นอย่าง เช่นอย่างพจิจารสก์เอยพย า, ยามิลินเอยถ้าเปรียบมาถึงสมัยปัจจุบันก็ฮิตเลอร์เอยเนี่ยเป็นผู้ที่มีความยิ่งใหญ่ถ้าท่านกลับใจได้แล้วก็มาดำเนินตามสัมมาทิฐิเช่นอย่างเป็นผู้จะมาอุปถรัรมภ์บำรุงพระาศาสนาเออยอะไรต่ออะไรเอยอยพฤติกรรมของเขาเขาทำได้ง่ายทำไปได้เร็วทำได้ยิ่งใหญ่นี่มันดีมันดีตรงนี้แต่ถ้ากลับใจไม่ได้ก็คือจมมิตรเป็นมิจฉาทิฐิหมดทั้งดวงเลย เมาอเวจีมานรกหลุจากนุ่นไปข้านี้ลุจกจะนี้ไปข้านุน้นลุกจากนุ่นไปข้าไม่มีจบไม่มีสิน้นนี่วัตตาสงสารมันทําให้เราวนเวียนกันอยู่อย่างนี้ไม่จบเอาอีกประเด็นสุดท้ายแล้วก็ใจะให้พรแหละเราพูดถึงสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิแล้วพวกเราเป็นชาวพุทธนี่พวกเราได้เปรียบเพราะคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้ว่าจะปรับให้เราเข้าใจเรื่องสัมมาทิฏฐิทั้งนั้นสัมมาทิฏฐิ สัมมาสัมมาสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเห็นชอบดําริชอบสัมมาทิฏฐิดําริชอบคําว่าดําริชอบหมายถึงนึกชอบคิดชอบดําริชอบไม่เบียดเบียนไม่ลักไม่ชอบไม่โกงไม่ขโมยไม่ฆ่าเราพูดถึงอย่างอื่นมันก็หาที่จับยากเราพูดถึงบัรมี ทานบารมีทานบาร ม, ารมีถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องความเป็นพุท ธ, ธะหรือสัมมาทิฐิมีแต่ให้ให้ให้ให้แต่ถ้าเป็นเรื่องของมิจฉาทิฐิไม่ต้องให้เอาเข้ามาอมคาโกยมาโกยมาโกยมาคนเดียวกินไม่หมดก็ไม่เป็นไรอมกองทิ้งให้มันเน่าคนอื่นไม่ต้องให้นี่คือมิจฉาทิฐิเราดูเราดูทานบารมีถ้าเป็นเรื่องของสัมมาทิฐิก็คือ แบ่งไปให้ไปให้ไปให้ไปอย่างพระโสดาบันให้จนไม่มีอะไรไม่มีอะไรกินเหลือเหลืออาหารจานสุดท้ายกําลังจะเข้าป่าเนี่ยมีคนมายังไม่ได้กินเอาไปเลยเห็นผลที่เขาเอาไปกิ น, นมากกว่าที่เจ้าของกินนี่คือสัมมาทิฏฐิแต่ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิเรื่องอะไรเนี่ยเอามาโกยเอามาเททิ้งดีกว่าคนอึ่นอดจ้างมันนี่คือมิจฉาทิฏฐิเราดูเอาบา ร, รมีไปเที่ยงจะทําให้เราเข้าใจง่าย ทานศิลอย่างเงี้ยศิลเนี่ยพวกเราอะไรศิลห้าไม่ฆ่าสัตว์ถ้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาไม่พูดเท็จพูดไม่กินสุราเนี่ยที่พุทธิยถาสอนเป็นเรื่องของศิลแต่ถ้าเป็นเรื่องมิจฉาทิฏฐิฆ่าฆ่าฆ่าฆ่าฆ่าสัตว์หิวหิวอะไรฆ่าเลยหิวอะไรฆ่าเลยใครไม่พอใหญ่ฆ่าฆ่าทิ้งฆ่าทิ้งฆ่าทิ้ง่าคนห้าล้านห้าล้านหล้าน เพื่อเรามีชีวิตยอยู่คนเดียวคนอื่นตายช่างมันนะตายหมดทั้งโลกก็ไม่เป็นไรคอยเรามีชีวิตยอยู่คนเดียวนี่คือมิจฉาทิฏฐิแต่ถ้าถ้าเจ้าจของจะตายบ้างอ่ะ้สึกอยังไง <c oughs> อันนี้คือมิจฉาทิฏฐิแต่ถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วโอ้ถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเรายกตัวอย่างเช่นอย่างเบอร์ลินตะวันตกช่วยเลี้ยงเบอร์ลินตะวันออกนี่คือสัมมาทิฏฐิ เขาตกทุกข์ได้ยากอะไรแต่ไปช่วยเหลือกันนี้อันนี้คือสัมมาทิฏฐิคือความมีเมตตาช่วยเหลือเขาอดเขาอยากเขาไม่มีนุง่งไม่มีโหมไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อาศัยก็ช่วยไปเพราะอันนี้มันเป็นการสร้างบา ร, รมีของพุทธเจ้าบา ร, รมีเหล่านี้แหละที่ชนะกิเลสพยาบาลได้ทั้งหมดที่สําคัญที่สุดคือกิเลสนั่นนหละเป็นตัวพยาบาลที่ร้ายกาจกิเลสมานกิเลสมาลท่านเรียกว่ากิเลสมาน ไม่ฆ่าสัตว์นี่ก็นชนะกิยรตตัวหนึ่งแล้วนะไม่ลักทรัพย์ชนะกิเรตตัวหนึ่งแต่ถ้าเป็นเรื่องของมิจฉาทิฏฐิเราขโมยเอาขโมยเอ า, โ, เอาโกงเอาโกงเอาโกงเอาเขียนบิดเบือนโกงเอาโกงเอาโกงเอาโกยเอาโกยเอาโกยเอาโกหกเอาขโมยแอบขโมยไม่ได้ปล้นเอาตอนห่าฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามไม่เลือกเลยเกี่ยวเรื่องกามเคยได้ฟังนิทานทุกสานาโซไหมลงตาท่านพูดเศษฐี เศรษฐีลูกเศรษฐีสี่คนน่ะเขาไม่ต้องทําหากินพ่อแม่เขารวยเป็นมหาเศรษฐีเวลาเจอหน้ากันเขาก็ถามกันเอ้เพื่อนเราทําไมเราจะมีความสุขไอ้คนคนหนึ่งก็ว่าไปกินไอ้คนนึงก็ว่าไปเที่ยวคนหนึ่งก็ว่าไปเล่นไปสนุกสนานที่นู่นที่นี่ไอ้คนหนึ่งเขาก็เสนอว่าโอ้ยเพื่อนพวกเรามีทรัพย์มากเราไปจ้างลูกเขาก็ตามมีใครก็ตามมาบํารุงบําเรอตลอดชีวิตพวกเราอยู่พวกเราจะมีความสุขที่เรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องยอดของกาม หัวใจของใครของใครเขาติดเกาะกับสิ่งเหล่านี้ในที่สุดตกลงตามไอ้คนสุดท้ายเนี่ยตลอดชีวิตเขาเนี่ยเขาใช้ทรัพย์บำรุงบำรเรอตายไปไปตกนรกทั้ง4คนนั่นแหละอยู่หม้อทองแดงลุกถูกน้ํามันเดือดจากก้นหม้อมาถึงปากหมอ 20, ้อ 20,000 ปีจากก้นหม้อไปถึงปากหม้อไปถึงก้นหมอ 20, ้อ2 0,000 ปีจากก้นหม้อมาถึงปากหม้อเนี่ย0องหปีเวลาอยู่ในนรกเนี่ย ทำไมพวกเราต้องมาตกอยู่ในร่อย่างนี้โอ้เพื่อนเราไม่ทำไม่ได้ทําความดีอย่างนั้นไม่ได้ทําความวเรามีทรัพย์มากเราไม่เคยให้ทําบุญไม่เคยให้ทานไม่เคยอะไรแต่เลยเอาไปใช่นในสิ่งที่ชั่วร้ายพวกเราจะต้องมาตกลําบากจากกรมอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นไอตอนแผ่นดินมันเดือดอมาก็ลังว่าจะพูดพูดได้พูดได้คําเดียวทุกไอสักคนที่สองสักณโส ổ, มันก็จมลงไปอีกมันน้าเดือดมืนเหมือนกับต้มกบต้มเขียนอะเดือดพลอขึ้นมานิดหน่อยมันจมลงไป นี่คืออำนาจของมิจฉาทิฐิเรื่องของกาลพูดคือมื่อการพูดยังไงจะได้เปรียบเขาที่จะพูดด้วยเมตตาสงสารปิยะวาจาอะไรไม่มีแล้วก็ไอ้สุดท้ายเนี่ยน้ำานี่น้ำตอน น, นนี้เป็นเป็นน้ำเสริมเสริมทำให้เรามีจิตใจชั่วร้ายขาดสติขาดความยับยัง้งนี่สำคัญที่สุดพฤติกรรมแบบนี้เาเรียกว่าพฤติกรรมของมิจฉาทิฐิ ถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่รื้อพืชผิดในการมอันนี้เรายกตัวอย่างมาเพื่อให้เราเกิดความเข้าใจง่ายเราจะได้ข้อปฏิบัติไปในตัวมิจฉาทิฏฐิกับสัมมาทิฏฐิเริ่มต้นจากอย่างนี้แหละทําสรุปง่ายๆว่าทําตามอํานาจของธรรมเป็นสัมมาทิฏฐิทําตามอํานาจของกิเลสเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่เราจะต้องไปศึกษาอีกว่าอํานาจของกิเลสทํำยังไงบ้างอํานาจของธรรมทำยังไงบ้างเรื่องเหล่านี้เราจําเป็นจะต้องศึกษาทั้งนั้น อ้อาวแค่นี้พอรู้สึกวันนานแหละ เ, เดี๋ยวให้พรเอาไปนะไปจ้ะเดี๋ยวให้พรอ่าเอาพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วก็ไปไปปรับใช้สัมมาทิฏฐิเพื่อความสุขความเจริญมิจฉาทิฏฐิเพื่อความทุกข์ความยากความลําบากในใจเราระวังรักษาได้เราก็จะประสบความสุขความเจริญให้ให้พร อ, องเดียวนะ อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิชตุสเพปูเรนตุสังกป่าจันโทปนะระโสยะถามณิโชตรโสยะถาสภีติโยวิวัชฌันตุสัพรโคโววินัตสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภะอภิวาธนาสีลิสนิจังพุทธาปะัยโนจัตตาโรโธธรรมวัฒนติอายุวนโนสุขังพลังภวะตุสัพพมังคะลัง รักขันตุ digital, สัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสธาโสธีพระวันโตเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนะสธาโสธีพระวันโตเตภวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะสธาโสธีพระวันโตเต ก็ดีดีวันนี้วันนี้วันนี้โชคดีได้มาพูดคุยฟังกันแต่ยังไงยังไงยังไงยังไงพวกเราทำบุญอย่าลืมอุทิศส่วนบุญให้ฮิตเลอร์ก็แล้วกันถ้าเขาทําสําเร็จนะเขาเป็นวีรบุรุษของเรานะแต่ด้วยเห็นที่เขาทําไม่สาเร็จแต่หนทางนี้มันเป็นอย่างนี้แหละมันไม่สําเร็จหรอกหนทางของพญามารไม่เคยสําเร็จหรอกมันไม่ใช่หนทางของพุทธถ้าเป็นหนทางของพุทธ อย่งนั้นพุทธิย่ถ้าจะมาสร้างบารมีทําไมสี่อสองไขยแสนหมากับ8อสงไขยแสนหากับ16อสองไข่แสนหากั บ, ออกบตังใจทํายิ่งยวดน้อยคนที่จะทําได้มันไม่ใช่ของได้มาง่ายๆที่จะชนะหมู่มารทั้งหลายเหล่านี้มัจจุมากิเลสสมานมัจจุมางก็คือความตายคือแก่เจ็บตายแต่อํานาจของกิเลสกิเลสมานกิเลสมานคือกิเลสในหัวใจของเราเนี่ย ความชั่วร้ายในใจของเรามันยุเยะให้จิตของเราทํานู้นทำนีนน่ตามใจชอบของมันทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราไม่ทันมันดอกมีศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าวิธีเดียวศาสนาธรรมของศาสนาอื่นเราก็ไม่แน่ใจบางที่เขไปเสริมไปเสริมวิชาอวพญายมารเข้าไปอีกเราก็ดูที่บางศาสนาเสริมฆ่ากันหมดทั่วทุกมุมโลกเราคิดดูเถอะ ศา ส, สนาธรของพระพุทธเจ้านี่เป็นศาสนาเพื่อสันติภาพอย่างแท้จริงแต่ถ้าเพิดคนต่างศาสนาเข้ามาบุกรุกเข้ามาบุกรุกเราพวกเราทำตาปิดปิดปิดปิ ป, ป, ป, ป, ป, ป, ป, ปไม่กล้าตอกก่อน เ, นเขา <c oughs> เราพระพุทธเจ้าไม่ให้ด่าใครไม่ให้ต่อกอกันใครไม่ให้ ก, กล้าไก่ไกแม้แต่เขามาทำกับเราถ้าเราท่านสอนให้โกรธอย่าโกรธกันแล้วกันต่อให้เขาเอาเลื่อยมาตัดตัวของเรานี่งอย่ากโกรธให้เขาเด็ดขาด ถ้าเป็นลูกศิษย์ของเราจะโกรธทําได้ไหมตั้งใจทําตั้งใจทําลองดูนี่พุทธเจ้าคําสอนเพื่อสันติภาพอย่างแท้จริงสันติภาพในโลกได้มันจะต้องไปจากสันติภาพในนี้ก่อนพวกเราต้องเอาสันติภาพในใจของเราซะก่อนในใจไม่เคยสันติภาพเลยให้โลกมันสันติภาพนยใครมหาบุรุษอย่างไหนมหาก็ตามมันไม่เคยมีใครอยู่เย็นเป็นสุขหรอก ทุกสรมาันเดือดร้อนเราดูเถอะดูตำนานนักการเมืองทั่วทั่วโลกดูเถอะพกเราอยู่ในศีลอยู่ในธรรมเลยเรามีช่องอ๋อของเราผู้ิชาติสอนพวกเราได้เปรียบอ่าจบอ่าวันนี้เราเลิกกันแค่นี้